คำคำมืดๆอย่างนี้เวลาเราจะเดินจากกุฏิมาที่ศาลาต้องใช้ไฟฉายไฟฉายที่นำทางเรามา <Yeah. S 1> จนถึงจุดหมายแต่ถ้าไฟฉายมันดับหรือว่าไฟฉายเปิดบ้างดับบ้างเปิดเปิดป ด, ดับดับ ก็ จ, จะทำให้เราไม่ถึงจุดหมายหรือว่ า, า จ, จะพาเราหลงทางก็ได้เพราะพ อ, พอไฟดับนี่ก็ต้องคลาทางเองแล้วบางทีก็หลงเข้าไปในป่าได้ง่ายโดยเพราะถ้าเกิดว่ามันมีทางแยกมะคลำคลไปเห็นมีทางเดินไปได้อีกทางเลียบเีก็เดินไปปรากฏว่า พาไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเดินไปหลงทางไปสักพักไฟฉายมาสว่าง เ, าเราก็รู้แล้วว่าหลงทางหรือว่าไปถูกทางกันแน่เดินมาศาลานี้ฉันใดนะการดําเนินชื่อของเราก็ฉันนั้นะการดําเนินชื่ อ, อรามก็ต้อง อาศัยนะมีทา ง, างเดียวไม่พอนะมันต้องมีความรู้สึกตัวด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนะถ้าว่าถ้าเรามีความสึกตัวต่อเนื่องมันก็ช่วยทำให้เราถึงจุดหมายที่พึงประสงค์ได้ ไม่ว่าจุดหมายนั่นจะเป็นเรื่องของงานการการเดินทางหรือว่าการทำความดีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแต่ปกติแล้วนะความสึกตัวของคนเราเนี่ยมันก็มือนกับไฟฉายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือมันรู้สึกตัวเป็นพักๆ มันก็ไฟฉายที่สว่างเป็นช่วงๆไฟฉายบางคนมันก็มืดเป็นส่วนใหญ่แต่แล้วก็สว่างไปได้พักเดียวแล้วก็มืดอีกอก็ทำให้หลงทางหลงทางเสียเวลาบางทีก็ไม่ถึงจุดหมายเลย คนเราจะทำอะไรได้จะเดินชีวิตได้อย่างราบรื่นก็ต้องมีความรู้สึกตัวนะที่ต่อเนื่อ ง, น, งนื่งนก็หลงทางความรู้สึกตัวนี่มันไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่สลบคนที่ไม่ไม่หลับหรือว่าไม่ไม่เมาไมานะ้ ถึงยังตื่นอยู่ถึงยังไม่ได้เมามายมันก็อาจจะยังไม่รู้สึกตัวเป็นพักๆก็ได้หลงคือหลงรู้สึกตัวกับความหลงเนี่ยมันตรงข้ามกันเมื่อใดก็ตามที่เราหลงนะมันก็อาจจะทําอะไรผิดๆถูกๆได้ แม้แต่คนที่ขับรถขับรถข้องแคล่วก็อาจจะหลงได้ถ้าเกิดว่าก็อาจจะหลงทางได้ถ้าเกิดว่าใจนี่มันพลอยหลงเช่นขับรถไปกำลังหากำลังหาชื่อซอย หรือว่าป้ายบอกทางแต่ว่าจูจ่ๆก็ใจลอยนะคิดไปลอยไปโน่นลอยไปนี่ป้ายมีอยู่ต่อหน้า ต, ตาก็ยังไม่เห็นก็ทำให้หลงทางอย่างเมื่อ สองที่ก่อนก็ไปนครสวรรค์ออกจากกรุงเทพก็ไปทางถนนวิภาวดีรังสิตนี่นแหละจูงไปออกสระ บ, บุรีนั่นโ อ, อนแทนที่จะเลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายไปทางวิทยา ถึงบุรีเนี่ยความหาทางไปโผล่เอาถนนแคบๆนะสองเลนอำเภออุอทัยเนี่ยใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงจากกรุงเทพถึงนครสวรรค์ทังที่มีกูเกิล้วยนะนัวิเกรตอร์ จุดเริ่มต้นคือหลงนะหลงคือไม่ไม่หลงเข้าไปในความคิดในสุดก็เลยหลงทางไปเลยอันนี้ก็เลยว่าขับรถทั้งทั้งที่ก็ไม่เมาแล้วให้ตื่นตลอดเวลาบางทีคนังก็ทำอะไรไปได้ถูกต้องเนี่ย เพราะว่ามันทำโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่เพราะทำด้วยความรู้สึกตัวนะสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เรีบคนที่ท่องได้เนี่ยก็ท่องไปแต่ใจลอยใจลอยมันก็สวดถูดได้เหมือนกันนะแต่บางครั้งก็สวดผิดได้คนที่ขับรถกลับบ้านบางทีไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกตัวนะ แต่ทําด้วยความเคยชินระหว่างที่ขับรถไปใจก็ลอย ค, คิดนวนคิดนี่คิดถึงงานการด้วยความกัมใจหรือว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกเกี่ยวครอบครัวมีความหมงุดหงิดนะเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองตลอดทางก็ใจลอยอย่างงี้แหละแต่มันก็ไปถึงบ้านได้นะ แต่บางทีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างโยมคนหนึ่งนะรับอาสาพาพระไปส่งวัดท่านมาบรรยายตัวเองก็นั่งฟังคำบรรยายเสร็จแล้วก็เออจะอาสาไปส่งขับรถไปส่งพระที่วัดขัรถไปได้พักใหญ่นะก็เลี้ยวซ้ายตรงไปถนนใหญ่อีกสายหนึ่ง พระก็เลยถามพระซึ่งนั่งอยู่หลังเราก็เลยถามว่าโยมโยมจะไปไหนโยมก็ตอบว่าก็ไปส่งท่านกลับวัดยังไงพระก็เลยบอกว่ า, วาทางไปวัดมันไม่ใช่ทางนี้เนี่ยมันต้องตรงไปไม่ใช่เลี้ยวคนขับก็เลยรู้เลยว่าว่าหลงซะแล้วนะผิดซะแล้วที่เลี้ยวเพราะว่ามันเป็นทาง กลับบ้านนะทางกลับบ้านตั้งใจจะไปส่งพระแต่ว่านะแต่ว่าพอถึงทางทางเลี้ยวเนะี่ยด้วยความคุ้นเคยกลับบ้านเป็นประจำทางนั้นก็เลยเลี้ยวไปเลยอันนี้ก็เราหลงทางได้เหมือนกันนะเพราะว่าผิดทางก็ขับร ถ, ถูกนะั้นไม่ตัวอุบัติเหตุนะแต่ว่าผิดทางเพราะใจลอยนะใจลอยอันนี้ก็เรียกว่าหลงนะ ช่วงที่ใจร้อยเนี่ยนะเห็นถนนที่คุณเคยก็หักซ้ายเลยเพราะาทำอย่างนั้นทุกแทบทุกวันแล้วคนเรางทีทำอะไรเนี่ยดูเหมือนว่ามันทำได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะความรู้สึกตัวแต่เพราะความเคยชินซึ่งในสาการปกติก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าในบางสาการนี่ ก็อาจจะเป็นอันตรายได้ใจลอยแล้วก็ไม่ไดงสังเกตรถที่เขาเลี้ยวผัดหน้าหรือว่าคนที่กำลังวิ่งข้ามถนนจริงถ้ารู้สึกตัวก็จะเริ่มเห็นเร็งเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่บนทางเท้าแล้ว เห็นคนที่เตรียมจะข้ามถนนเราก็รู้แล้วว่านี่ต้องชะลอแล้วถ้าขับรถด้วยความรู้สึกตัวมันก็จะเห็นทางข้างหน้าได้แต่ถ้าใจกลาลังลอยตอนนั้นเรียกว่าหลงมันก็ไม่เห็นไม่สังเกตคนพาคนเดินจงกรมที่ชุมพรเนี่ยล่าสุด เดินไปประมาณสามสิบสี่สิบนาทีก็คุยสนสนาเขาเกี่ยวเรื่องประสบการณ์การเดินแล้วก็ถามเขาเป็นประโยชน์ที่แถมถามแทบทุกทุกกลุ่มนะที่เดินอย่างกลมว่าได้ยินเสียงจริงหีนะืมั้ยค่อนกลุ่มนะั้นบอกไม่ได้ยิน จางที่เช้าวันนั้นนี่จิ้งหรีบมันร้องตลอดทางเลยเกือบตลอดทางก็งงเลยมีเสียงจิ้งหรีบด้วยเหรอมะเช้าวันต่อมาก็ให้ก็เดินอีกแล้วก็ถามว่าที่เสียงจิ้งหรีบไหมคนนี้อะเกิดทั้งหมดนายยกมือมันได้ยินทำไมตอนนั้นไม่ได้ยินนะตอนนั้นมันไม่ได้รู้สึกตัวเพราะนั้นจมอยู่ในความคิด ใจลอยใจลอยหรือบางทีก็มัวแต่จดจ่ออยู่ที่ทางข้างหน้าเพราะว่ามันมีกรวดมันมีหินหรือมันมีหลังมดบางคนก็ไปเพ่งที่เท้าเอาจิตบังคับจิตไปเพ่งที่เท้ารู้แต่เท้าแต่ไม่รู้อย่างอื่นอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะ แต่ก็ยังดีกว่าใจลอยนะใจลอยมันมันหลงตเต็มที่คนเราเนี่ยถ้าเาไม่มีความรู้สึกตัวมันแม้แต่ทำความดีก็ทำได้ยากตั้งใจทำความดีรักษาศีล น, นะแต่ว่าพอถูกความพอมีสิ่งรอดเราเยา้ายวน มันก็เกิดโลภะเกิดราคะก็ทำให้เผอทำอะไรที่มันผิดพลาดเสียหายเช่นไปขโมยโกงคอร์รัปชันนะหรือว่าไปไปผิดศีล น, นะข้อ3อันนี้ก็เพราะความ ความโลภอย่างหนึ่งนะั้นที่เขาเรียกว่าราคาสิงข้อหนึ่งกับสิ่งสิข้อสองกับสิงข้อสามนี่เนะีมีไว้เพื่อเพื่อคุมไม่ให้เราทำตามหน้าของโลภะและราคาแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวนะมันก็หลุดนะ จากหลงก็ค่อยไปหลุดเข้าไปเลยเห็นของอะมันแต่ตานี่ก็ไม่มีใครอยู่หยิบล้วงหยิบใส่กระเป๋าเลยหรือว่าหยิบเงินกระเป๋าเงินก็หยิบโทรศัพท์ของคนอื่นใส่กระเป๋าเฉยเลยบางทีมันแค่ความความโลภชั่วล่น มันไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นวิชาชีพเท่านั้น ท, ทำอย่างนั้นบางทีคนที่มีเงินมีฐานะเป็นดาราชื่อดังก็หยิบเหมือนกันนะเป็นของฟรีแม้แต่ผู้ที่ได้รับเชิญไปไปงานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยทำเนียบขาวเนี่ยทำเนียบขาวเนี่ยก็มีการเชิญคนไป เลี้ยงต้อนรับเนะ่เป็นงานหรูคนที่ได้รับเชิญก็เป็นคนเด่นคนดังคนรวยแต่เขามักจะพบว่าทอนเอยยีดเอยย่อมเอยนะ์หาอยู่บ่อ ย, อยเพราะอะไรพคนที่ด้รับเชิญนะที่เป็นแขกนะหยิบเอาอยากได้เป็นที่ระลึกนะของ ครั้งหนึ่งได้เคยมาอกินอาหารที่ทำเนียบขาวเลือจะหลายครั้งก็หยิบหลายครั้งเหมือนกันเพราะว่ามันสวยพวกนี้ถ้าหยิบจานหยิบจานหยิบชามใส่กระเป๋าได้ก็ทำเหมือนกันนะแต่มันหยิบไม่ได้นะมันที่หยิบง่ายคือพวกช้อนพวกซ่อมพวกมีดมีคราวหนึ่งนะ จ็กกรินคานเดดีเนี่ยเห็นแขกคนหนึ่งหยิบเอามีด เ, เนี่ยใส่กระเป๋าพอพอนานเลี้ยงเลิกแกให้พนักงานทอนนื้ข่าวนับเลยนะว่ามีช้อนซ่อมหายหรือเปล่าเพราะว่า ม, ม, ม, มีมีมีมีหายไปชิ้นหนึ่งแกก็เดินตรงไปที่แขกคนนั้นเลยบอกว่า เอาคืนมาซะโอ้ยเสียหน้ามากเลยเข็ดไปจนตายนี่นี่ยมันบางทีไม่ใช่เพราะว่าความยากจนนะที่ทำให้คนขโมยแต่เป็นความหลงมากกว่านะหรือว่าการที่ผิดสิงข้อสามนี่ ก, ก็มันก็เป็นเพราะความหลง บางทีถึงขั้นก็ทำชำเราไอันนี้ก็หนักเข้าไปใหญ่มันน้า ม, มืดเนี่ยน้า ม, มืดเพราะว่าไอ้การราคามันมันครอบงาแล้วคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเพียงแค่หลงสักอย่างนี่แม้กระทั่งคุณธรรมพื้นฐานก็ทำได้ยากหรือว่าทำแบบตกๆหกล่นๆ จะช่วยคนนะม่แต่การดูแลนะการช่วยเหลือการห่วงใยการห่วงใยนะคนรักเนี่ยต้องทำด้วยความสึกตัวนะเพราะ้าสึกตัวแล้วนี่ก็เสร็จไม่เงินนะลูกอายุสองสาขวบนะอยากจะไปเดินเล่นนะนอกบ้าน แม่ก็ห่วงกลัวลูกเดินหกล้มนะก็บอกลูกว่าอย่าเดินหกล้มมันเจ็บลูกก็ยังดือ้อนะอยากจะเดินคนเด็กอยากจะแสวงหาอยากจะเห็นโน่นเห็นนี่แม่ว่าที่แรกก็เตือนลูกลูกไม่ฟังตอหลังแม่ก็ห้าม ลูกก็ไม่ฟังแม่โมโหก็เลยปลาดไปหาลูกก็ตีลูกตีลูกตีตี ต, ต, ต, ตีลูกร้องไห้แม่ไม่ได้ฉเฉลียวใจเลยว่าเนี่ยที่แม่ทำเนี่ยพาะไม่อยากให้ลูกเจ็บนะไม่อยากให้ลูกหกล้มพอหกล้มแล้วมันเจ็บแต่ลูกไม่ทันจะหกล้มเลยแม่ก็ทำให้ลูกเจ็บเสียแล้วด้วย มือของแม่เองแม่ไม่ได้คิดนะไม่อยากจะให้ลูกเจ็บนะแต่แล้วตัวเองทำให้ลูกเจ็บซะเองนี่เพราะอะไรเพราะความหลงลืมตัวเพราะหลมก็ลืมตัวเตือนลูกเพื่อจะให้ลูกไม่ไม่บาดเจ็บนะแต่พอลูกไม่ฟังคำเตือนก็โกรธ มันมีความสึกอยากจะเอาชนะลูกด้วยลูกไม่ฟังชันเนี่ยนะอัดตามก็ขึ้นเลยนะพอธรรมชาติตานี่มันต้องการมีชนะมีชั ย, ม, ชย ม, ม, มีชัยชนะนะต้องการชนะคนอื่นต้องการให้คนอื่นอยู่ในโอวาสพอไม่อยู่ในโอวาสนะหรือว่าพอสัวตัวเองจะแพ้รูปฟื้นคําสาบก็โกรธ ตามันก็สั่งให้แม่นี่จัดการลูกเลยแม่ก็นึกว่าทำด้วยความรักแต่ที่จริงมันทําด้วยความอยากจะเอาชนะทำด้วยความโกรธอันนี้เรียกว่าทําด้วยความหลงไม่เคยสึกตัวที่แลกห่วงใหญ่ลูกนห่วงใหญ่ลูกแต่สุดท้าย ทำให้ลูกเจ็บเส้นก็เป็นอย่างนี้เยอะนะการเบียดเบียนกันการทำร้ายกันในนามความรักในนามความห่วงใยแตทท่ที่จริงเนี่ยนะไอ้ตอนนั้นมันทำด้วยความหลงนะหลงในอารมณ์อยากจะเอาชนะทองคสจะต้องการกำราบ ไม่ใช่หวังดีไอหวังดีเป็น <c oughs> หวังดีเป็นจุดเริ่มต้นแต่ลงท้ายนะโดยความประสงค์ร้ายก็ได้นะพูดอย่างนั้นนะทีแรกก็หวังดีแต่สุดลงสุดท้ายประสงค์ร้ายก็เ พ, เพราะความหลงงั้นต้องต้องใส่ใจนะไอเรื่องความรู้ความรู้ตัวเนี่ย มันเป็นพื้นฐานของการทำงานให้สำเร็จหรือการทำความดีหรือแม้กระทั่งการแสวงหาความสุขในชีวิตการทำบุญของผู้คนเวลานี้ก็ทำด้วยความหลงนะมันไม่ใช่แค่ความหลงมงมงายนะไอ้หลงมงมงายก็เรื่องหนึ่งนะเช่นไปบนบานสารกล่าว นะหรือว่าไปไปหลงคนที่เขาอวดอ้างว่าเป็นพระอรหันตนะ์อย่างเช่นที่เคยไปหลายคนที่ไปหลงนะกราบไหว้เนนคําหรือแม้กระทั่งนะที่ไปทำบุญกับทุ่มเทงเงินทอยให้กับ รธรรมชโยเนี่ยทางที่ก็มีเรื่องราวข่าวคราวเยอะแยะที่หนักคือไปไปกราบไหว่อดีตนะพระภาวนาพุทโธนะซึ่งตอนหลังถูกถูกติดคุกนะาะไปชำเรานะเด็กเด็กผู้หญิงนะต่ำกว่าอายุสิบหกมัติดคุกเลย คนก็ยังไปไปไหว้ไปกราบเพราะเชื่อเป็นผู้พิเศษ น, ะนี่หลงงมงายแต่ถึงแม้ไปไปกราบไหว้ถูกคนนะถูกที่นะมันก็ถําด้วยความหลงเหมือนกันก็คือทานที่แทนที่จะไปทำบุญถวายปัจจัยเพื่อลดเพื่อละลดละกกิเลสลดละความแก่ตัวซึ่งเป็น จุดมุ่งหวังการทำบุญการให้ทานนะก็กลับทำด้วยความโลภอยากได้เงินอยากได้ทองนะทำด้วยกิเลสนะแค่นั้นไม่พอนะนะบางทีนอกจากโลภะแล้วเนี่ยนะบางทีก็มีโทสะตามมาเห็นแถวมันยาวนะ ก็เกิดความหงุดหงิดรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเกิดความไม่พอใจคนที่มาทำบุญด้วยเพราะว่าคนเยอะทำให้ตัวเองนี้ไปถวายกับมือไม่ได้สะดวกบางทีก็มีการรัดคิวกันรัดคิวก็ก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งทำบุญนะแต่ว่าได้ได้บาปได้ความสุขเป็นอกุศลอันนี้เพราะไม่รู้สึกตัว มันก็เลยลืมตัวความสึกตัวความลืมความไม่รู้สึกตัวความลืมตัวเนี่ยมันมันมันไปด้วยกันนะไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยคือไม่มีสัมปชัญญะลืมตัวคือไม่มีสติจะง่ายง่ายสติคือไม่ลืมนะสัมปชัญญะคือไม่หลงถ้าไม่รู้ตัวเมื่อไหร่มันก็ลืมตัว ทำผิดทำพลาดหรือว่าก่อปัญหาได้อย่างแม่ที่ตีลูกตอนนั้นก็ลืมตัวนะเพราะไม่รู้ตัวซะแล้วปล่อยให้ความโกรธเข้ามงามัปล่อยให้ความอยากจะเอาชนะลูกไม่ได้ลืมคิดไปว่า เ, เราเตือนลูกเพราะไม่อยากจะให้ลูกเจ็บแต่ว่าสุดท้ายเราต่นนั้นทำให้ลูกเจ็บซะเองทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นนะโดยการมี ด้วยการมันสร้างสติสติความระลึกได้ร า, ร, ไดาราลึกได้ว่าราลึกได้ว่าหลงไปแล้วราลึกได้ว่าใจลอยแล้วราลึกได้ว่ากำลังโปรดเราลึกได้ว่ากำลังห ง, งุดหงิดตัวที่ทำให้รตัวที่ทำให้ให้ราลึกได้นี่คือสติคือรู้จริงๆคือรู้นะรู้ว่า ตอนนี้จิตมันเป็นยังไงจิตมันกําลังใจลอยคิดน่นคิดนี่หรือว่ากําลังขุ่นมัวไอความรู้รู้เท่าทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ระลึกได้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังสวดมนต์อยู่ตอนนี้กําลังฟังธรรมอยู่ตอนนี้กําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่ตอนนี้กําลังกินอาหารอยู่ สติก็จะดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อแล้วตามด้วจิตกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวโทุกร้อมก็เกิดขึ้นเนะมื่อความตัวโทวคกร้องเกิดขึ้นเนี่ยไออารมณ์กุศลใดๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันจะครอบงำจิตไม่ได้นะไออารมณ์ต่างๆครอบงำจิตได้เพราะว่าหลงเนี่ย หรือว่าลืมตัวมันก็เข้ามาครอบงำแล้วพอเข้างันแล้วก็ทำให้หลงหนักขึ้นลืมตัวหนักขึ้นเช่นพอมีความอยากพอมีความอยากเกิดขึ้นอะมันก็คิดหาทางแล้วนะหาทางขโมยแนละ้วหาทางโกงนะแล้วแล้วถ้ายังไม่รู้ทันอีกนะั่นมันก็ไม่ใช่แค่คิดแล้วไม่ใช่แค่ วางแผนแต่มันลงมือเลยพอลงมือแล้วรู้สึกก็กลัวขึ้นมากลัวคนจะรู้ก็ต้องหาทางที่จะปกป้องตัวเองหรือว่าหาทางที่จะหลอกลวงต่อไปกลายเป็นจมอยู่ในทะลมาลัยวัฏจักรแห่งความหลงความลวงความลืมตัวหนักขึ้นไปอีกพอพอกลัวแล้วนี่มันก็มันก็ต้องหาทางที่จะ ปกป้องความช่วงตัวหรืออายถึงขั้นกำจัดคนที่จะรู้ความจริงที่ น, น้อยก็ใส่ร้ายทำให้คมพูดเขาไม่มีน้ำหนักเราเองจะได้ปลอดภัยให้เราเนี่ยพยายามเจริญสติทำความสึกตัวอยู่เสมอ มันเป็นเป็นคุณธรรมที่คนไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะหลายคนก็จะถามว่าทำไมต้องมาสร้างความรู้สึกตัวเพราะส่วนใหญ่เป็นในเรื่องการเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาหรือว่าขันติความอดทนความเพียรพวกนี้ก็ดีมีประโยชน์นะแต่ว่า เราไม่สามารถจัดตั้งมันในคุณธรรมเหล่านี้ได้เลยถ้ามัน ม, มีความรู้สึกตัวอยีางอย่างที่บอกแม้ก็ทั่งความดีขั้นพื้นฐานคือการรักษาศีลนี่ก็มันก็ทำได้ยากถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเริ่มแต่ว่าการเรียนรู้ว่าคุณธรรมหรือศีลมันมีประโยชน์เนี่ยนะจะรู้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะ คือมีคนมาสอนมีคนมาบอกแล้วก็เราก็ฟังด้วยความใส่ใจถ้าฟังแบบหูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพระพูดไปครูพูดไปใจลอยเนี่ยอันนี้ก็เลยว่าเข้าหูซ้ายทะลหูขวาคือไม่ได้ยินเด็กใจลอยเนี่ยนะพูดอะไรครูพูดอะไรไปพระพูดอะไรไม่ได้ยิน แล้มันจะเกิดความเข้าใจในในเรื่องของศีลได้อย่างไรจะเห็นคุณประโยชน์ของศีลได้อย่างไรเพราะว่าตอนที่มีคนมาบอกเนี่ยก็เระปรโตโคสานะปรัโตโคสาคือเสียงจากผู้อื่นซึ่งจะทำให้คนเราเนี่ยเกิดมีสมาธิเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งมี ยนที่สมนักสิการคือรู้จักคิดสองมีปรัโตโคสะคือมีครูบาอจารย์พ่อแม่มาพูดให้ได้ยินหรือหนังสือนะการที่อ่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปรัโตโคสะแต่ถ้าใจลอยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรนะเมื่อมีสัมมาทิฏฐิการที่จะ เห็นคุณค่าของศีลความดีแล้วปฏิบัติตามมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้ขณะที่พูดไปอย่างนี้ยกตัวอย่างพูดไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใจ ล, ลอยคิดมืน่นคิดห่วงบ้า น, นคิดถึงงานถึงการาพูดไปก็ไม่ได้ยินเหมือนกับเดินจงกรมแต่ใจลอยเนี่ยเสียงจริงหลีก ดังรงงมก็ไม่เข้าหูมันเข้าหูกันแต่มันไม่เข้าเข้าไปในใจคือไม่ได้ยินนั่นต้องเริ่มต้นจากความสึกตัวแต่แน่นอนความสึกตัวเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีศีลมันช่วยกำกับนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีศีลคอยมาคอยมาเป็นคอยมาเป็นกำแพงเนี่ยมันก็ทําตามกิเลสได้ง่ายความรู้สึกตัวก็ยิ่งกระพองกระแพงกระไปใหญ่มันเก้อกูน ก, กันนะ นะความรู้ตัวสติก็ทําให้มีศีลขอเดียวกันถ้าหาว่าตั้งใจรักษาศีลเอาไวนะ้มันก็ทําให้มีสติมากขึ้นทําให้มีความรู้ตัวได้ต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าไม่รักษาศีล น, นะมันะก็ทําตามกิเลสได้ง่ายกิเลสก็จะมาคลองใจนะโลภะโทสะก็จะคลองจิตใจสติ มันก็อ่อนแรงความรู้ตัวก็หนะดหายไปมันมั น, มนเกื้อกูลกันนะส่วนใหญ่เราก็เริ่มต้นจากการให้ให้มีศีลก่อนนะเราก็ค่อยสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่เมื่อแล้วเมื่อเรามีความรู้สึกตัวแล้วนี่การสีลของเราก็จะเป็นศีลที่ไม่ใช่ศีลพัตตปามานหรือว่าการ ทำไปแบบงมงายหรือทำไปด้วยความหลงทำไปด้วยความโลภอย่างที่ยกตัวอย่างพระสักครูเนะจรินสตินะการสร้างจังหวะการเดินจงกลมก็เป็นการทําให้เรามารู้สึกตัวมากขึ้นอย่างน้อยๆถ้าเราตั้งใจทําก็จะรู้ว่าโอ้เราหลงเยอะเลยวันหนึงวันหนึ่งเราหลงเยอะเลยเพราะว่าเดินจงกลมสร้างจังหวะนี้มันรู้ตัวแค่สิบเปอร์ซ็นตบางทีก็ห้าเอร์็นนั่นแหละ สักของเวลาที่ปฏิบัติอีกเก้าหรือเกสินี้มันอยู่กับความหลงหลงก็ไปนในความคิดหลงก็เป็นในอารมณ์อารมณ์ก็จะเป็นความง่วงความเบื่อนะความหงุดหงิดความเซ็งนะคือถ้ารู้ตัวแล้วมันไม่มันมันไม่มีความรู้สึกเบื่อ ม, มีความรู้สึกเซ็งมันมีแต่ความโปรง่งร่วงเบาจะรู้ตัวนะ รู้ว่าอยู่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรผัสสะที่มากระทบมันจะชัดเจนถ้าไม่รู้ตัวนี่แม้แต่เดินบิทฑบาทก็เหมือนกับเบร์เบร์มันก็คนที่กําลังเมันกคนละเมอคนทั่วไปไม่ค่อยได้สังเกตแล้วไม่เคยรู้สึกแล้วว่าที่อยู่อไปแต่ละดวันตลอวันนี่มันก็นคนละเมอ แต่พอได้มารู้สึกตัวปฏิบัติมีสติต่อเนื่องมันจะเห็นเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคนเมื่อคนละเมอขึอ้นมาเบอร์เบอพอมีสติมีความรู้ตัวเนี่ยมันหมาอนวาว่าตื่นแล้วตื่นแล้วไม่ใช่หลับหนังสือของท่านตินาธันเนี่ยนะ เือปฏิหารการตื่นอยู่เสมอเนี่ยคำ ว, ว่าตื่นเนี่ยนะก็คือมีสติมีความรู้ตัวถ้าไม่มีสติต่อเนื่องมีความตัวต่อเนื่องมันมือกับหลับนะแต่มันไม่ได้หลับแบบคนหลับเนี่ยทําอะไรไม่ได้แต่คนคนที่ระเมอเนี่ยยังทําอะไรได้อยู่นะเดินถูกนะส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนเนี่ยก็ละเมอนะคือทําอะไรก็ไม่เคยรู้ตัวเท่าไหร่ มันก็ทําได้เหมือนกันบางทีก็ทําถูกนะแต่ว่าทําไปตามความเคยชินมากกว่าเสียงอะไรเข้ามากระทบหูก็ไม่ได้ยินว่าใจลอยแต่พอรู้ตัวอยู่เสมอนะหรือตื่นอยู่เสมอนี่โอ้มันก็เห็นอะไรชัดรู้อะไรชัดแต่ว่าไม่หลงเข้าไปนพยายามเจริญสติโ ด, ดยการเดินจงกรมสร้างจังหวะนะ ถึงแม้ไม่ได้และถึงแม้จะไม่ได้เดินตรงโกแม่สร้างจังหวะแล้วก็มีการก็มีสติอยู่กับอิเลีย บ, บทต่างๆอาบน้ำผูฟันเก็บที่นอนใส่เสื้อผ้าครองจีวรเดินขึ้นเดินลงก็ให้รู้ตัวตมันก็มีหลักอยู่ง่ายตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น พิจารณาดูตัวเองถามตัวเองว่าตอนนี้ใจเราอยู่ไหนนะตัวอยู่กุฏิแต่ใจลอยกลับไปบ้านก็มีแล้วบ่อยตัวอยู่สาลาเนี่ยแต่ว่าใจนี่นะไปหาคนน้นคนนั้นนะที่กรุงเทพนะก็บ่อยอันนี้เราไม่รู้ตัวเอนะ ดึงจิตกรรมมาอยู่กับเนื้อกับตัวตัวอยู่ในใจอยู่นั่นตัวทำอะไรใจก็รู้หรือรู้สึกตัวทำอะไรใจก็รู้สึกรู้สึกว่ากาลังอาบน้ากาลังถูฟันกินข้าวกันือนกันกินข้าวก็ให้รู้ตัวสังเกตแต่เวลากินข้าวใจมันลอยคิดโนยคิดนี่จะบ่อยกว่าจะหนักกว่าตอนเดินจงกลมสร้างจังหวะ อาจเป็นเพราะมันมีความเพลิดเพลินยินดีในอาหารในรสชาติหรือหรือว่าเป็นเพราะความเคยชินว่าเวลากินข้าวใจลอยเราทำนี้มานิ ส, าสัยสะสมมาสามสิบสี่สิบปีนะพอกินข้าวทีไรนะแม้ว่าจะเป็นนักปฏิบัติแล้วก็หรือเป็นพายแล้วอย่างใจลอยเยังไม่รู้กินอะไรนะปากเคียเค้ยวๆแต่ไม่รู้กินอะไรกินไปไสัก เครื่องทางก็สังเกตุว่าทำไมลูกชิ้นมันหายไปนะเราตักลูกชิ้นมาห้าลูกนะทำไมมันเหลือแค่สองอีกสามไปไหนที่งไม่ได้ไปนำอยู่ในท้องเราแล้วนะแต่ว่าตอนกินไปสามลูกเนยะไม่รู้ใจลอยนะอันนี้เราไม่รู้ตัวก็เคยมีการทดลองนะให้คนกิน ซุปมะเขืเทศในชามใหญ่ชามก๋วยเตี๋ยวกันนั่นนะคนที่มากินเนี่ยเป็นอาสาสมัครเาก็ไม่รู้นะว่าก้นก้นชามเนี่ยมันมีท่อที่ต่อต่อเติมซุปมะเขือเทศแทบทั้งหมดเลยกินกินกินกินโดยที่ไม่สังเกตเลย ว, ว่าทำไมมันไม่พร่องทำไมไม่หมดสักที กินอยู่นั่นแหละตักกินอยู่นั่นแหละไม่มีใครสักคนที่จะสังเกตว่ามันไม่พร่องหรือว่ามไม่มันไม่หมดสักทีกว่าจะรู้ตัวก็กินไปแล้วเกือบสองชามแล้วก็ทําวิจัยว่าเราเนี่ยคนที่ไม่รู้ตัวนคนส่วนใหญ่เนี่ยกินเนี่ยกินมากกว่าที่กินไปประมาณสองชามหรือว่าชามนึงกับอีกเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซนเนี่ย คือค่อยรู้ตัวเอ้มันมีอะไรผิดปกติหรือว่านะกินไปเกือบสองชามมันค่อยสังเกต ม, มันมันมีทําไมไม่หมดสักทีอันนี้ตื่นขวัญความไม่รู้ตัวก็ฝึกเอาไว้ฝึกไว้ระหว่งที่เรากินกหรือชันก็มีสติมีความสึกตัวไปด้วยเดินมีถ บ, บานนี่ก็เหมือนกันนะก็ให้มีสติมีความสึกตัวมันก็เดินตรงกลมใจลอยไปไหนก็ดึงกลับมาดึงกลับมาบ่อย ไม่ต้องไปเพลงที่เท้านะแค่เดินแหบอึมอึมสบายๆแต่ให้ใจอยู่ในะกรตัวก็พ อ, อชา้าเรื่องพวกท่านนี้